สร้างพลังภายในดึงดูดพลังภายนอกจิตของคนเราเนี่ยถ้าสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆด้วยความมีสติความรู้ตัวนี่มันจะเกิดพลังงานขึ้นมาทีนี้ถ้าจิตเกิดพลังงานมันสงบเป็นสมาธินิ่งและจะสว่างขึ้นมาความสว่างนั้นคือกระแสไฟฟ้า จิตกระทบกับอารมณ์บ่อยๆแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเกิดความสว่างขึ้นภายในจิตเพราะมันสามารถดึงดูดเอากระแสไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเข้ามาข้างในได้ร่างกายของคนเรานี้คือดินน้ำลมไฟข้างนอกก็คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟภายนอกกับภายในนี่มันจุนเจือกัน เราเอาดินภายนอกมาพอกพูนดินภายในของเราคือข้าวปลาอาหารเราเอาน้ำมาเพิ่มน้ำในกายของเราคือน้าที่เราดื่มเราเอาลมข้างนอกมาช่วยลมภายในของเราคือลมหายใจและทีเนี้ยเราเอาไฟข้างนอกคือแสงอาทิตย์เข้ามาสนับสนุนมาส่งเสริมไฟภายในกายของเราให้ลุปโพล่ขึ้น เรามาปฏิบัติทางจิตเนี่ยเรากายกับจิตมาสัมผัสกันบ่อยๆแต่ว่าการสัมผัสของกายกับจิตนี่มันเกิดพลังเย็นเหมือนเราดัดแปลงเอาไฟฟ้าไปทําตู้เย็นเพราะฉะนั้นเราได้กําเนิดไฟฟ้าเสอย่างเดียวแล้วเราสามารถปฏิวัติกระแสไฟฟ้าให้มันร้อนก็ได้ให้มันเย็นก็ได้จิตของเราเนี่ยถ้ามันเกิดพลังงานแล้วเราจะปฏิวัติให้มันเป็นอย่างไรก็ได้ มันมีตัวควบคุมคือสติสมบูรณ์จะให้มันเป็นหมอรักษาทางจิตก็ได้จะให้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นคิดสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ในเมื่อมันมีพลังงานแล้วอันนี้คือหลักของธรรมชาติ สติสัมปะชัญญะคือเจตสิกที่สร้างสานึกผิดชอบชั่วดีธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นสติตัวนี้ในเมื่อเด่นขึ้นเป็นสัมปะชัญญะเป็นสติสัมปะชัญญะสติแปลว่านึกถึงหรือระลึกสัมปะชัญญะรู้พร้อม เมื่อนึกถึงสิ่งใดความรู้พร้อมมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับสติทีนี้พอเสร็จแล้วในเมื่อมีความรู้พร้อมจิตเขาก็จะสร้างอารมณ์ของเขาขึ้นมาเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติของเขาทีนี้บางทีมันคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาสติก็พร้อมพร้อมพร้อ ม, ร, อมรู้ทันทุกขณะจิต แล้วพอไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เขาเคยทําความผิดมาจิตมันจะยอมรับว่าเขาผิดและจะเตือนตัวเองว่าสิ่งนี้เจ้าทําไม่ดีแล้วต่อไปเจ้าอย่าทําซ้ําอีกอันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงของจิตที่รู้ทำเห็นธทม<ำ>บางอย่างมันเป็นความดีพอคิดถึงสิ่งนั้นปับ๊บนี่มันเป็นความดีให้เจ้าพยายามทําให้มากๆ อันนี้ก็เป็นการยอมรับสภาพความจริงของจิตที่มีสติปัญญาสติตัวนี้ในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีธรรมะอันเป็นคู่กันอีกคือสัมปะชัญญะระลึกรู้พร้อมสติเนี่ยระลึกสัมปะชัญญะรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมันจะประครับประคองกันไปสติก็ดีสัมปะชัญญะก็ดี เป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเจตสิกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการเจตสิกคือสติกับสัมปัตชัญญะเท่านั้นใครจะทำสมาธิไปถึงฟากฟ้ า, าแดนดินไหนผลลับครั้งสุดท้ายคือสติตัวรู้อย่างเดียว